หลวงพ่อท่านก็ได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะว่าธรรมยาตรานี้ก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายของท่านนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นงานชิ้นเดียวที่ท่านทำในเวลาที่ท่านมีชีวิตยอยู่นะแต่ว่าเป็นงานที่ท่านตั้งใจจะสานต่อให้มันสืบเนื่องไป พวกเราก็มาช่วยกันสานต่องานของหลวงพ่อนะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เราได้ เ, เดินกันมาจนตลอดถึงที่พักครั้งแรมเป็นจุดแรกตั้งแต่จัดธรรมยารามา14ปีนี้ก็ เป็นครั้งแรกนะที่เราเดินเริ่มออกจากภูกระธองแล้วเราย้อนขึ้นมาข้างบนปกติกว่าเราจะมาถึงท่าเวอร์ได้นี่ก็เป็นมาท้ายท้ายแล้วเช่นประมาณวันที่หกวันที่ประมาณวันที่ห้าวันที่หกของการเดินทางธรรมยาตรานะแต่ว่าปีนีนะ้ก็เป็นปีที่แปลกออกไปนะบ้านท่าเวอร์ในก็เป็นจุดแรกที่เราได้มาพักะ เดินมาแต่เช้านี่นะก็เรียกว่าเดินแบบสบายๆนะเราเดินกันมา6กิโลได้ก็ไม่มากอะไรถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะถ้าเทียกับปีก่อนๆอย่างเช่นสองปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเราจัดในโอกาสครบ26สัตวรัษนะพุทธชยันตินี่เดินกันส0กว่ากิโล กว่าจะได้พักแรมปีนี้อากาศก็เป็นใจเราก็เดินได้อย่างสบายๆมาถึงจุดหมายเส้นทางที่เราเดินนะมันเป็นเส้นทางที่เคยใช้ในการชักลากไม้เพราะว่าป่าบนหลังเขาเนี่ย เคยผ่านการสัมปทานมาก่อนประมาณสัก45ปีที่แล้วสมัยสิบสองสเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถ้าไม่มีบริษัทามาทําไม้นะก็คงไม่มีเส้นทางเส้นนี้ที่จริงเส้นทางธรรมยัตาหลายปีที่ผ่านมาก็อาศัยเส้นทางชักลากไม้นี่แหละ จนกรทัางไปถึงโน่นเลยชัยภูมิเลยส4ี่ปีที่ผ่านมาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะเมื่อย้อนระลึกไปถึงการเดินธรรมยาราปีแรกปี 4, สี่สามเส้นทางที่เราเดินเรียกว่ามี เท ป, ปูนเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ลาดยางก็ไม่มากเท่าไหร่นยกเว้นช่วงจากบ้านเก่า ญ, ญาดีมากลับมาท่ามาไฟปีนั้นเรามาสิ้นสุดที่ท่ามาไฟตรงนั้นเนี่ยค่อยมีมีถนนลาดยางเท ป, ปูนแต่ว่าจํานวนมากนี่มันเป็นถนนที่ ลูกรังนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะถนนลูกรังที่เราเคยเดินผ่านมาเมื่อสิสปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 90% ซนก็เท ป, ปูนระวมทั้งที่เราเดินจากบ้านกุดงงนะมาถึงนี่จะเห็นได้ว่าแทบจะไม่ได้เจอถนนลูกรังเลยนะถึงแม้ไม่เท ป, ปูนก็มีการ การเทหินกรวดนะหินคลุกที่ทำให้การสัญจรสะดวกขึ้นแต่ว่าเดินเท้าก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะเห็นได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากนะในช่วง14ปีที่ผ่านมาถนนก็ดีขึ้นบ้านเรือนก็ใหญ่ขึ้นนะ เดนี้บ้านไม้นะก็ค่อยๆหายไปก็มีบ้านปูนเหมือนกับในเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมากมายผูดขึ้นมาตามทางก็เรียกว่าผู้คนบนหลังเขาก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่ามันสวนทางกับธรรมชาตินะที่กลับแย่ลงไม่ไว่าจะเป็นป่าไม้ลาห้วยลาทาน หรือว่าแผ่นดินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้นะว่าแม่น้ำร้องไห้นะป่าไม้ล้มป่วยแผ่นดินเป็นนรำพานอากาศเป็นพิษความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบ้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะก็มีอยู่นะอย่างเช่นเด๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มีคนเอาเอารถมาล้างนะ กลางลำห้วยหรือว่าเอ า, เอาภาชนะที่ใส่ยาฆ่าแมลงมาล้างนะในลําห้วยตอนที่เรามาเดินธรรมญาตาใหม่ๆบางทีก็มีาการทําเช่นนั้นอยู่บ่อยๆหรือว่าบางทีก็มีรถที่ขนอุจจเละเนี่ยนะเอามาถ่าย จ, จะละรถสูบรถสูบส้วมนะมาถ่าย จ, จะละอยู่ ริมห้วยตรงแถวโน่นแถวห้วยหมักแดงในสำนองนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นละนะชาวบ้านเขาก็ตื่นตัวมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเห็นเราก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมโทรมลงของธรรมชาติในขณะที่ผู้คนยังมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นร่ำรวยขึ้นแต่ธรรมชาติกับแย่ลง ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะการที่คนเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมาไม่ได้แปลว่าธรรมชาติจะต้องแย่ลงหลายประเทศที่เขามีเศรษฐกิจผู้คนร่ํารวยนะธรรมชาติก็ดีขึ้นตามไปด้วยประเทศญี่ปุ่นนี้ก็มีป่าไม้70เร์เซการที่ผู้คนร่ํารวยขึ้นก็ทําให้เขาเห็นคุณค่าของธรรมชาติแล้วก็ทุ่มเทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น ในยุโรปนี่เดี๋ยวนี้นะริมเมืองอ่ะชานเมืองนี่ก็มีพวกสิงสารสัตว์พวกหมาจิ้งจอกพวกหมีบางทีมาเดินเส่นผ่านน่ะไม่ต้องพูดถึงกวางอันนะในหลายเมืองชนน้ำบดตอนนี้นะไร่นาก็รกร้างนะผู้คนก็อพยพไปทํางานในเมืองไร่นาก็กลายเป็นป่าก็มีพวกสิงสารสัตว์นะ มากมายประเทศที่ก็เจริญแล้วนีนะ่ป่าเขาก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะอากาศก็ดีขึ้นเพราะว่าเขามีเงินที่จะทุ่มเทเรื่องนีนะ้บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าผู้คนมีเศรษฐกิจดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยธรรมชาติมันต้องแย่ลง มันสามารถจะไปด้วยกันได้ถ้าว่าเราเห็นคุณค่าางธรรมชาติมากพอนะตอนนี้เนี่ยสานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมนะมันก็เกิดขึ้นมากในหมู่คนเมืองนะแล้วเราก็หวังว่าสํานึกเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นนะในหมู่ชาวบ้านนะธรรมยาตรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการ สร้างจิตสำนึกนี้ขึ้นมาที่จริงจากวัดปุกทองมาที่นี่เนี่ยนะถ้าเรานั่งรถนะมันก็แค่ยี่สิบนาทีแต่ว่าเราใช้เวลาสามสามชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเสร็จในการที่จะมาถึงนี่ เพราะว่าเราเดินมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่นั่งรถมามันเร็วแล้วก็สะดวกทำไมเราถึงต้องเดินมาการเดินนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะถ้าเราไม่เดินมาเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้สัมผัสรับรู้ถึงความ เพื่อเฟื้องของชาวบ้านนะเส้นทางที่เราเดินมานี่ก็มีชาวบ้านเขาเอาน้ำเย็นๆตอนต้อนรับนะของพวกนี้เนี่ยอาศัยน้ำใจอย่างนี้ไม่พอต้องต้องพร้อมจะสละเงินดินนะ <c oughs> เขาก็เงินเขาก็ไม่ได้มีมากนะแต่ว่าเขาก็ยินดีที่จะสละเงินมาเพื่อที่จะหาน้ำเย็นนะหรือว่าบางทีก็มีพวก ลูกอมมาเรียกต้อนรับพวกเราทางนั้นที่ก็ไม่ได้รู้จักพวกเรานะแต่เขาก็ศรัทธานะในคณะธรรมยาตราและศรัทธาส่ว น, นก็เพราะเขาเห็นว่าเราตั้งใจจริงเขารู้ได้แล้วว่าเราตั้งใจจริงเขาก็รู้ได้จากการที่เรายอมที่จะลงทุนนะลงแรงเดินนะทั้งพวะเราเขาก็รู้ว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนเมืองนะาการที่มาเดินตากแดดนี่ มันไม่ใช่วิสัยของพวกเราแต่การที่เรามาเดินแตกแต่ก็แสดงว่าเรามีความตั้งใจเรามีความตั้งใจที่จะทำให้ผู้คนตื่นตัวด้านธรรมชาติได้ล้อมถ้าเรานั่งรถมาแล้วก็มาบอกชาวบ้านมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะและ้วยิ่งเป็นรถแอร์ด้วยนะ คห้คพูดของเรามันก็จะมีน้ำหนักน้อยเพราะก็เราเขาเห็นว่าเราไม่ได้เราจะไม่ได้ตั้งใจจริงแต่นีการที่เรายอมยอมเหนื่อยยอมร้อนเนี่ยที่มาทำเรื่องนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆขนาดที่เราพร้อมที่ยอมเหนื่อยยอมยากได้การเดินเนี่ยมันเป็นเครื่องสอเจตนาของเรานะว่าเรา ถ้าพูดภาษาทุกภาาง่ายๆคือเราสนะีเรียสนะเราสีเรียสกับเรื่องนี้เราไม่ใช่แค่พูดไปตามกระแส ต, ตามแฟชั่นนะใครๆก็พูดได้เรื่องรักสิ่งวัตล้อมถ้าว่าอยู่ในห้องแอรนะ์อยู่ในห้องแอร์นี่สบายแล้วเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะให้รักธรรมชาติรักสิ่งวัตล้อมแต่ถ้าว่าเอาเรา อ, อกจากห้องแอร์เรามาเดินนะมันก็แสดงว่าเราตั้งใจจริง ที่จริงเขารู้ว่าเราจะเดินเจ็ดแปดวันนะเขาก็มีศรัทธาเนหะ็นความตั้งใจของพวกเราแต่ที่จริงเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นเป็นคนอื่นนะไม่ใช่คณะธรรมยาตราถ้าว่าเดินแบบนี้นะเขาก็เอาน้ำมาต้อนรับเราเหมือนกัน แต่ว่าเราจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เราจะไม่ได้สัมผัส น, น้ำใจของชาวบ้านถ้าเกิดเรานั่งรถนะเรานั่งรถก็เดินผ่านเราก็ขับรถผ่านไปบ้านแล้วบ้านเล่าก็เห็นแต่ละบ้านนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรจ ะ, จะกินใจประทับใจเราได้จนกว่าเราลงมาเดินนะลงมาเดินก็ได้เห็นนะสิ่งงดงามได้รับได้รับน้าใจของชาวบ้านทาให้เย็นใจ ถึงแม้ว่ากายจะร้อนนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะของการเดินนะ <c oughs> เราจะได้ขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นคุณค่าของต้นไม้เห็นคุณค่าของร่มเงามากขึ้นเวลาเรานั่งรถเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกนะว่าร่มเงาของต้นไม้นี่มันมีคุณค่าอย่างไรเพราะเราอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถแอร์ แต่พอเราออกมาสัมผัสกับแดดเราจะรักเราจะเห็นคุณค่าของต้นไม้มากขึ้นเพราะต้นไม้ให้ร่มเงาแก่เราอันนี้มันทำให้เราเห็นคุณค่าของต้นไม้มากขึ้นนะมันไม่ใช่เป็นการคิดเอาหรืออ่านเอาจากหนังสือแต่มันเกิดจากการที่เราได้สัมผัสจริงๆนะว่าต้นไม้มีคุณค่าอย่างไรนะเดินไปเดินไปนี่นะนี่วันนี้แดดยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านที่มันโล่งๆนะแล้วก็แดดแรงๆเนี่ยพอเราเดินไปเห็นไกลๆร่มไม้นะอยู่ข้างทางเราจะรู้สึกเย็นใจขึ้นมารู้สึกใจดีใจขึ้นมาทันทีนะทั้งที่ตัวยังไม่ถึงนะแต่ว่าเรารสึกเพียงแค่ได้เห็นร่มไม้นะอยู่ข้างทางแล้วก็สบายใจแล้วและบางทีอาจจะ คุณนคล่องนิดหน่อยถ้าเกิดว่าลมไม้นี่ยมันอยู่อีกเลนหนึ่งนะคนละเลนกับที่เราเดินอยู่นะเราก็จะอาจจะไม่พอใจคนพาเดินว่าทำไมไม่ไม่เดินไปตรงเลนที่มันมีต้นไม้มีร่มเงานะคนที่เดินธรรมยาตานะปีก่อนๆนะจะรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้นะว่านะถ้าหากว่าเราเดินในเลนที่มันไม่มีร่มเงาของต้นไม้เลยแต่ว่าเลนตรงข้ามนี่มันมีเนี่ยเราจิตสึก นะเสียดายอยากจะย้ายเลนนะแต่ทําไม่ได้เพราะว่าผู้นำนะ <c oughs> เขาเม่ได้นำเราไปอย่างนั้นเราจะรักต้นไม้มากขึ้นนะเราจะเห็นคุณค่างต้นไม้เห็นคุณค่างรวมเงามแม้กระทั่งเมฆนะบางทีเราเดินเราก็ชงเราก็ชงเงื้ดูนะว่าเมื่อไหร่เมฆจะมาบดบังดวงอาทิตย์สักที จะได้มีร่มเงาให้เราเดินได้อย่างสบายให้แบบนี้เนี่ยความสุวรนี้จะไม่ไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราอยู่ในห้องแอร์หรือเราเดินทางด้วยรถยนต์แต่แน่นอนนะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอทั้งร่มเงาของต้นไม้แล้วก็มวลเมฆนะเจอแดด เ, เต็มเ็มเลย แต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่านั่นแหละคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกใจของเรานะทํำยังไงนะใจเราจะไม่ร้อนไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนถึงแม้ว่ า, าตัวเราเนี่ยนะจะร้อนกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนนะใจของเราเนี่ยสามารถจะทําอย่างนั้นได้สามารถที่จะสลัดความทุกข์ ออกไปไม่เอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจนะสติก็ดีสมาธิก็ดีนะมันจะช่วยทำให้เราเนะี่ยใจสบายได้แม้ว่ากายจะร้อนกายจะเหนื่อยเราจะไม่รู้วิธีนะที่จะ รักษาใจของเราให้เป็นปกติหรือว่าสงบเจ็นได้นะถ้าว่าเราไม่ลองมาเดินนะท่ามกลางแดดที่ร้อนๆถนนที่ไกลนะมันเป็นมันเป็นความสามารถที่เราที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้เจอทุกข์ด้วยตนเองนะเจอความร้อนนะ เจอสัมผัสความเหนื่อยถ้าอยู่ในรถนะเราจะไม่ได้ไม่ได้เกิดทักษะที่ว่านี้เลยนะถึงแม้ว่าวันแรกนี้นะเราอาจจะยังยังยังวางใจไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าเส้นทางมันก็สบายแดด ก, ก็ไม่ค่อยร้อนยังไม่ได้ฝึก ยังไม่ได้เจอการบ้านนะที่เป็นโจทย์ยากๆนะแต่ว่าเชื่อว่าวันต่อๆไปนะเราก็จะได้เรียนรู้นะพูดง่ายคือว่าเมื่อเราได้นะมาลงมาเดินนะแบบนี้เนี่ยก็จะได้เห็นได้สัมผัสทั้งความเย็นจากน้ำใจของชาวบ้านแล้วก็จากร่มเงาสองข้างทาง และขณะเดียวกันไอความร้อนนะที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วก็หยีบคั้นกายเรานะมันก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะให้เราได้เรียนรู้วิธีที่จะเป็นที่จะทาให้ใจเราเป็นอิสระนะจากนะความทุกข์เหล่านั้นอันนี้มันเป็นวิชาสาคัญทีเดียวนะเป็นวิชาที่เราสามารถจะใช้ใน ในเหตุการณ์อื่นได้กลับบ้านไปแล้วยังสามารถจะใช้วิชานี้ต่อไปนะไม่ใช่เฉพาะเวลาเจอแดดไม่ใช่เพราะเวลาเหนื่อยเพราะทางไกลแต่เวลาเจอเหตุร้ายหรือเจอความเจ็บความป่วยเราก็สามารถที่จะราาจักษาใจให้เป็นปกติได้ หรือว่าเจอความพลาดพลาดเจอความสูญเสียต่างๆซึ่งมันเป็นธรรมดาของชีวิตนะเราก็จะสามารถใช้วิชานี้เนี่ยรับมือกับมันฉนิดที่เรียกว่านะเจอทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะสุขพบที่ไหน หาสุขพบที่ไหนะหาสุขพบที่ใจนะให้เราลองนะมาเรียนรู้นะว่าแม้ว่าประสบทุกนะก็ยังหาสุขพบได้ที่ใจได้อย่างไรนะอันนี้แหละมันเป็นมันเป็นบทเรียนเป็นวิชานะที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้จาก การเดินธรรมยารานะแล้วก็คงจะได้เรียนรู้อีกหลายอย่างนะเป็นวิชาที่ต่างคนที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้มากมายนะเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะวันต่อๆไปก็จะได้แนะนําในเรื่องการวางใจนะเราจะวางใจอย่างไรนะเวลา เดินทำยังไงจะให้การเดินของเรามันเป็นการปฏิบัติธรรมนะซึ่งที่จริงตอนเชาน้านี่อาจารย์โน้ตก็ได้พูดนะผ่านทางรกกระจายเสียงแต่ว่าก็คงได้ยินเฉพาะข้างหน้านะแต่ว่าข้างหลังก็จะไม่ค่อยได้ยินตอนบ่ายท่านก็พูดนะซึ่งก็เป็นข้อแนะนำนะที่จะช่วยเราได้แล้วก็จะ เป็นประโยชน์ไม่แต่เฉพาะการเดินธรรมยานตาแต่ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นๆได้ด้วยนะวันนี้ประเด็นหนึ่งที่ค้างเอาไว้นะเมื่อเมื่อวานมั้งนะที่ที่นิ่มถามว่าเสื้อธรรมยาตราปีนี้นะทําไมถึงเป็นเสื้อสีนี้นะสีแก่นถนนนะก็เฉลยตอนนี้ดีกว่าที่จะไปเฉลยวันวันที่เจ็ดนะเพราะว่าหลายคนก็ จ, จะกลับก่อนก็คือว่านะปีนี้แนวหัวใจของการเดินธรรมยตาคือว่าบูชาครูตอบแทนคุณนะนะครูที่เราเราลึกนึกถึงเป็นพิเศษนกะ็คือหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เคยพูดว่าท่านนะรักชีวิตพระมากนะนะชีวิตพระเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านรักมากนะและสิ่งที่ เป็นเครื่องหมายนะของชีวิตพระนั่นก็คือจีวร น, นะนะจีวรเนี่ยสีที่จะเป็นตัวแทนของของชีวิตพระนะก็คือสีแก่นขนุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยนะเสื้อที่เราที่ธรรมญาติตร า, าจัดทำในโอกาสนี้ก็เลยเป็นเสื้อสีแก่นขนุนนะซึ่งเพื่อเพื่อให้เราเลิกเราลิกว่าเนี่ยเราเดินนะ เพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อบูชาครูของเราบูชาหรือว่าระลึกนึกถึงหลวงพ่อนะและจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่าเราทุกคนเนี่ยถึงแม้อุ่งกังเกงนะหรือว่าใส่กระโปรงเราก็สามารถจะเป็นพระได้นะ พระนี่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนที่เปผู้ชายหรือว่าโกนผมผมเหลืองอย่างจีวรพระนะพวกเราก็สามารถจะเป็นพระได้นะด้วยการที่เรารักษาศีลนะด้วยการที่เรารักษาใจของเรานะเมื่อเราใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเรารักษาใจของเรานะไม่ให้วันไหวไปตาม อาัสสะที่มากระทบนะเราก็เป็นพระได้นะแล้วก็มันก็เป็นเครื่องเตือนใจเราด้วยนะว่าเออในเมื่อเราได้ได้ใส่เสื้อนะที่เป็นสันรักสันักของจีวรพระซึ่งเป็นเพศที่หลวงพ่อน ะ, อะรักเนี่ยก็ก็ควรที่เราจะ รักษาสำรวมนะกายวาจาใจของเรานะเพื่อให้ให้คู่ควรนะกับสีเสื้อที่เราสวมใส่นะสีนี้ไม่มีความหมายทางการเมืองใดในทั้งสิ้นนะมันเป็นสีของธรรมะเป็นสีที่สะท้อนถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะอันนี้ก็เป็นที่มานะของอเสื้อธรรมญาตราปีนี้นะ เอาแล้วก็คำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้น ะ, ะเรากราบพระพร้อมกันสร้างสมาสมพุทธโอพะพาวาพุทธังพะพรวันตังอภิวาเทมิสวากาโตะพะพวาตาธรมโ ม, มนัมมะนัมมะสามิ สุิปันโนขะพาวะโตสวะะสังโฆสังมามิ